ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพชุดปรีซูตอนที่448หลังจากนี้ประมาณสิบครั้งด้วยกันครับก็จะพูดถึงเรื่องของผลของพรวิญญาณบริสุทธิ์และของประทานของพรวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกาลเทียโคชนะของพระเจ้าอยู่ในกาลเทียที่ห้าข้อยี่สิบสองสิบสามซึ่งหลายท่านท่องได้ วันนี้จะพูดถึงเรื่องของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าไฟผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปลาบรื่มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปรานีความดีความสับซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเชียงแต่พูดถึงแค่ผลของวิญญาณบริสเก้าอย่างนี้นะครับ ก็เป็นพระคุณของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าได้ประทานผลของพระเยนไปสุดให้กับเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์สําหรับคริสเตียนนั้นพอเห็นทั้งเก้าอย่างนี้เป็นความพึงปรารถนานะครับหน้าพึงปรารถนาคือพูดง่ายๆก็คืออยากจะได้ครับนะครับพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับคริสเตียนเนี่ยจะต้องน้ํำลายไหลเลยครับหัวใจเต้นแรงครับเพราะอยากได้อยากเป็นครับที่น้องครับเรามีความรู้สึกอย่างนั้นไหมครับ นะครับคือภาพของพระเยซูซึ่งไม่มีใครที่เป็นมนุษย์เคยแสดงออกได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นแต่มันเป็นความหวังของพวกเราทั้งหลายก็คือในขณะที่เราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าเรากําลังเติบโตอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราจะต้องสดงออกถึงชีวิตที่มีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับแล้วก็คุณลักษณะทั้งเก้าอย่างนี้นะครับจะต้องแสดงออกอย่างสมบูรณ์นะครับและสมดุลด้วย ไม่มีใครที่สมดุลและสมบูรณ์แบบเท่ากับพระเยซูเพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดพระเยซูนะครับเป็นหลักครับยึดพระเยซูเป็นที่ตั้งเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนแบบชุดของพระเยซูที่เราได้อ่านได้รู้จักได้ยินอยู่ในพจนานุกรมพระเจ้าด้วยเหตุนี้พอเวลาเราพูดถึงเรื่องของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นผมจะอยา ก, กบแบ่งปันกับพี่น้องว่ามีความพยายามจัดหมวดหมู่นะครับ เก้าอย่างนี้ออกมาเป็นสามประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือความรักความปรับปรือใจสันติสุขนั้นก็สามารถจัดหมวดหมู่ก็คือเป็นหมวดหมู่ของความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้านะครับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าก็คือความรักความปรับปรือใจและสันติสุขซึ่งทั้งสามอย่างนี้เป็วิญญาณบริสุทธิ์ เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราพืุนญันใส่ความปราบเรื่มใจความปราบเรื่มยินดีของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในวิญญาณจิตของเราพวิญญาณทรงประทานสันติสุขของพระเจ้าอยู่ในความคิดของเราความรักความปราบเรื่มใจและสันตสุขนันกระแผ่กระจายแพร่กระจายซึ่มซับอยู่รอบชีวิตของเราผู้เปี่ยมล้นด้วยพวิญญาณบริสุทธิ์และทุกสิ่งที่โปร่งที่ทรงกระทําก่อนนั้น ก็เกิดขึ้นด้วยความรักรับดำเนินไปด้วยความปรับเพิ่มยินดีและสำเร็จบริบูรณ์ในสันทิสุขนะครับเห็นความต่อเนื่องสืบเนื่องของความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้านะครับเริ่มต้นก็คือความรักดาเนินไปด้วยความปรับ ความดีอันนี้จัดอยู่ในประเภทของความสัมพันธ์ของเราต่อผู้อื่นนะครับความอดกั้นใจความปราณีความดีนะครับความอดกลันนนะกล้นใจทําให้อดกลั้นต่อความหยาบคายทําให้อดกลั้นต่อความใจร้ายของคนอื่นทําให้อดกลั้นไม่ยอมแก้แค้นไม่ต้องแก้แค้นนะครับส่วนความปราณีไม่เพียงแต่ยับยั้งชั่งใจอดกลัน้นไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นเท่านั้น ยังต้องมีน้ำใจปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นได้ดีมีสุขด้วยเห็นไหมครับพี่น้องมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องบูรณาการเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเราต้องอดกั้นใจนะครับนี่คือผลของพวยุยมบริสุทธิ์ประการที่สี่และก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นเราจะต้องมีความเมตตาปราณีนะครับเราจะต้องมีความเมตตาปราณียับยั้งใจไม่คิดใจกับผู้อื่นยังต้องมีใจ ปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีมีความสุขส่วนประการที่หกก็คือความดีนั้นช่วยเปลี่ยนความปรารถนาในใจให้ออกมาเป็นการกระทําครับเปลี่ยนความปรารถนาในใจออกมาเป็นการกระทําก็คือทําความดีให้ปรากฏลิเริ่มรับใช้คนอื่นนะครับอย่างหนักแน่นนะครับอย่างมั่นใจและปรารถนาที่จะเสริมสร้างคนอื่นพี่น้องครับเราคงจะเห็นนะครับ ว่าความอดกลั้นใจความปรานีความดีนั้นจากชีวิตของคนที่เปี่ยมล้นในพระวิญญาณไปสุดจากชีวิตของคนที่มีผลของพระวิญญาณครับนี่เป็นสามเก้าที่สองที่เกี่ยวข้องกับทัศนคท่าทาีของเราต่อคนอื่นส่วนสามเก้าสุดท้ายครับก็คืออย่างที่เจ็ดแปดเก้าครับเป็นความสัมพันธ์ของเรากับตัวเราเองครับนั่นก็คือความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนที่น้งครับความศัพท์ซื่อนั้นภาษากรีกนั้นก็แปลว่าความเชื่อแต่จริงๆก็ไม่ได้หมายความถึงความเชื่อซึ่งเกี่ยวข้องกับการพึ่งพาพระเจ้าหรือความเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่เป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการที่จะให้คนอื่นนั้นมาพึ่งพาเรานะครับก็คือ กลายเป็นความสัตรูนั่นเองคนอื่นจะพึ่งพาเราได้จะพึ่งพิงเราได้ก็อยู่ที่ความสัต์รูของเรานะครับคนอื่นจะมาให้เราเ อ, อไว้วางใจนะครับหรือเขาจะไว้วางใจเราได้ก็คือความสัต์ซืรอของเรานะครับความศัต่อนั้นเป็นเหมือนกับคนเรียกแขกครับเป็นคนที่เชิญชวนให้คนอื่นนั้นเข้ามาใช้บริการเราให้มาสัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานั้นจะต้องมีความสัต์ซื่อเป็นที่ตั้ง ภาษาคพูดนะครับทาการทำตัวให้มีเครดิตน่าเชื่อถือการทำตัวให้มีผลงานทำงานให้สำเร็จสู้เรื่องรุ่ล่วงไม่ใช่ชาวชามเย็นชามหรือไม่ใช่หัวมงกรนะครับแล้วก็หางเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับต่อไปครับก็คือความสุภาพอ่อนนวอ่อนนอนนั่นหมายความถึงการอ่อนโยนครับการอ่อนโยนหรือสุภาพอ่อนน้อม น, นั้นไม่ใช่คุณลักษณะของผู้แพ้ หรือคนที่แย่หรืออ่อนแอแต่เป็นลักษณะของผู้ที่เข้มแข็งและมีพลังและเก็บความเข้มแข็งพลังไว้อยู่ภายใต้การควบคุมครับให้กลายเป็นความสุภาพอ่อนน้อมนะครับคนที่สุภาพอ่อนน้อมนั้นเขาจะได้รับโลกนะครับเป็นมรดกหมายความว่าคนอื่นนั้นจะเห็นถึงความสุภาพอ่อนน้อมและเขาจะไว้ใจเขาจะให้เกียรติและเขาจะเป็นคนที่ สามารถที่จะควบคุมกลายเป็นคนที่มีพลังเข้มแข็่งในที่สุดและผลประการสุดท้ายก็คือการรู้จักบังคับตนการรู้จักบังคับตนนั้นสามารถแสดงออกด้วยสาประการด้วยกันครับก็คือการควบคุมลิ้นหรือควบคุมคาพูดประการที่สองก็คือการควบคุมความคิดประการสุดท้ายก็คือ ควบคุมอารมณ์และความอยากของตัวเองเรื่อง ก, การควบคุมอย่าลืมนะครับพี่น้องจําไว้เลยครับสามอย่างควบคุมลิ้นคือหมายถึงควบคุมคำพูดควบคุมความคิดคิดให้อยู่ในร่องในรอยคิดให้อยู่ในก้อนชนะของพระเจ้าอยู่ในทางและ่องมันคางของพระเจ้าไม่คิดฟุ้งซ่านไม่คิดในเชิงราคะตัณหาไม่คิดอยาบช้าลามกุกนี่คือการควบคุมความคิด และสุดท้ายครับก็คือการควบคุมความอยากและอารมณ์ของตัวเองไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความอยากและอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนี่คือผลของพลังงานประจุเ ก, ก้าอย่างครับและแบ่งเป็นสามประเภทเพียงครับเราคิดถึงใครครับที่เป็นผู้ที่มีผลพระเมีมุประจุร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นมาตรฐานดีที่สุดของพระเจ้าผู้นั้นก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองและนี่คืออุดมคติ ภาพของคริสเตียนผู้ที่มีความสมดุลในชีวิตการเตยมล้นด้วยวิญญาณบริสุทธิ์นะครับจะต้องไปด้วยกันกับผลของพู้วิญญาณบริสุทธิ์ครับและสองอย่างนี้ประกอบกันนะครับเราก็จะมีคุณสมบับเหมือนพระเยซูคริสต์หรือ c h r i s t l ล k e นะครับคริสต์ไลค์คริส t ์ไลก็คือทัศนคิที่เหมือนพระเยซูคล ไลฟ์ก็คือชีวิตที่เหมือนพระเยซูเราจําเป็นที่จะต้องบ่มเพาะนะครับการมีชีวิตเหมือนพระเยซูโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเป็นผู้ที่ประทานให้กับเราทั้งหลายเราจะต้องทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พราพอมพระทยครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทํางานเกิดผลในชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับการที่เราแสดงความรักต่อคนอื่นและเราไม่มีการรู้จักบังคับตัวเองก็ไม่ถูกต้อง การที่เรามีความชิ่นชมินดีมีสั้นที่สุขแต่ไม่มีความปราณีต่อคนอื่นหรือไม่โอดกัน้นไม่แก้แค้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับการที่เราเป็นคนอ่อนโยนว่านอนสอนง่ายแต่ไม่น่าเชื่อถือก็ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เรียกว่าชีวิตของเรานั้นว้าวเวงแหวงแหวงครับก็คือเคลตียนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังแต่ให้เราปรารถนาที่จะมีคุณนิสัย ของชีวของคริสเตียนที่คขาบริบูรณ์ครับเป็นความหวังของเราทั้งหลายทุกคนเราควรจะพัฒนาคุณลักษณะแบบนี้โดยการอธิษฐานขอกับพระเจ้าเพราะว่าคุณรักษณะทั้งเก้าประการนี้แม้ว่าจะแบ่งเป็นสามประเภทก็คือกับพระเจ้ากับตัวเองกับคนอื่นแต่ทั้งสามนี้ต้องเป็นผลพวงเดียวกันครับก็คือผลิมาจากผลของพระยานบริท ขอะเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนเพื่อที่ชีดิตของเรานั้นจะเปลี่ยนด้วยผลของพรามยับริอย่างแท้จริงอาเบน